ก็ความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านทูกฟังทั้งหลายแต่รวงพระพุทธญาณได้นำเสนอบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์สืบต่อกันมาตามลำดำับแล้วก็ได้มาเน้นย้ำในบาง บ, บางบารมีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในเส้นทางของความเป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องของกระบวนการแห่งธรรมะและเป็นตำแหน่งที่เปิดกว้างสำหรับทุกชีวิตยังแต่ว่าใครมีความสามารถจะดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่เท่านั้น ลักษณะาการจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นประหารที่จริงก็เหมือนกับเป็นอะไรต่างๆที่มันสุดยอดมันจะมีคนเข้าไปสู่สนามแข่งขันเนี่ยจำนวนมากแล้วจะลดน้อยลงไปโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งก็มีผู้ประสบใจชนะก็เพียงท่านเดียวแต่เรื่องอื่นนั้นอาจจะมีถึงคนสองคน อาจจะมีรองเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่ว่าตาแหน่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นตําแหน่งสูงสุดก็เป็นได้องค์เดียว เ, เรียกว่าในจั ก, กรวาลเดียวกันจะมีพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันสององค์ไม่ได้ถ้าในจั ก, กรวาลอื่นก็ไม่ว่ากันเรื่องาต่อไปนั้นก็จะนำท่านผู้ฟังไปศึกษาเขาเรียกว่า สันติเกณนิฐานที่เรื่องในสมัยพุทธกาลก็ที่จริงก็เอาตั้งแต่ประโพธิสัตว์ประสูตร์มาแต่ถ้าเราจะไปจับตรงนั้นเนี่ยต่อไปมันจะเจอเรื่องที่จะต้องย้อนหลังเยอะบริการต่างๆนั้นจะไปย้อนกลับเข้าไปสู่ยุคสมัย คือภูมิหลังหรือพื้นฐานของชมพูทวีปเพราะนั้นจึงน่าจะศึกษาภาพกว้างของชมพูทวีปและประชาชนพูดง่ายๆว่าชมพูทวีปและประชาชนโดยก่อนที่จะพูดถึงราชวงศ์ศักยะหรือความเป็นมาของราชวงศ์ศักย์ยะโดยต้องการาจะให้เห็นว่าในแง่ของนักการศึกษาแล้วเนี่ย สามารถจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องไม่ว่าจะจับตรงไหนขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเหล่านั้นที่จริงก็คือเป็นการสะท้อนธรรมะที่เป็นรูปธปรรมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้กระทำมีเจตนามีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาเป็นเหตุของความเจริญบ้างเหตุของความเสื่อมบ้างแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเมื่อ เรานำองค์ธรรมเข้าไปเทียบเคียงมันก็เป็นองค์ธรรมเปลี่ยงแต่ว่าเป็นกุศลและกุศลกลางๆแล้วก็มีความเข้มข้นยิ่งหย่อนแตกต่างกันอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่ประการแรกก็น่าจะทําความรู้จักกับคำชมพูทวีปคือชมพูทวีปกัอินเดียในปัจจุบันที่เขาเรียกอนุทวีปเนี่ยโดยปริมาณพื้นที่แหละมันต่างกัน พุทธพูดถงอินเดียยุคชมพุทวีปคือยุคก่อนพุทธกาลแล้วก็ยุคพุทธกาลหรือแม้แต่หลังพุทธกาลอยู่นานประสมควรเนี่ยมันมีมีนาบริเวณกว้างขวางมากถ้าพูดถึงเรื่องราวที่ค่อนข้างประหลาปรลาปัจญล่าเป็นทํานองใกล้ๆกับเป็นทวีปขนาดใหญ่นะ แต่เราจะลืมว่าเขาเรียกว่าชมพูทวีปบางครั้งก็เรียกว่าชมพูวันบางครั้งก็อาจจะเรียกชมพูสันเขาบอกว่าเรียกตามชื่อของต้นว่าคือต้นชมพูแต่เวลาพูดถึงต้นว่าท่านก็พูดเสียใหญ่น่ากลัวนะว่ามันสูงแปด0มืนสี่พันยอด แล้วก็ยาวแปดหมื่นสี่พันโยธอะไรเนี่ยตัวเลขของอินเดียบางทีก็ต้องอะไรเป็นลบเหมือนกันนะตัวเลขมันมากไปหน่อยแล้วก็บอกว่าชมพูตวีปเนี่ยเป็นชื่อที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกอินเดียมาแต่โบราณดินคือมาเรียกบริเวณตรงเนี้ยมาตั้งแต่โบราณ แต่เราอย่าลืมว่ามันติดมาส่วนหนึ่งของบังกลาเทศด้วยแล้วทางด้านโน้นก็ไปถึงอับการนิสถานไปเข้าไปที่เนปาลไปปากีสถานก็เยอะนะฮะพื้นชี่ก็เยอะมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับเกาะคือถ้าเราเอาในยุคก่อนพุทธกาลเราก็จะพบว่าอู่อรยธรรมโลกในยุคนั้นมันก็มีอยู่สี่แห่ง ล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเราสามารถสาวย้อนกลับไปสู่อวัยธรรมได้ว่ามาจากสายไหนแต่ในขณะเดียวกันเราทำคำสั่งสอนทั้งหลายเนี่ยหรือว่าผลที่เกิดมาจากเขตทั้งหลายพะเราสาวไปมันก็จะเจอนม า, ามธรรมก็คือกิเลส เมื่อการจะกล่าวโดยสรุปประทับทั้งปวงรวมลงที่จิตดวงเดียวเหล่านั้นก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากจิตเพราะในชมพูทวีปเนี่ยท่านบอกว่ามีเนื้อที่หมื่นโยน์เป็นทะเลสี่พันโยน์เป็นที่ตั้งของเกาะอมิมาลายสามพันโยต์เป็นที่อยู่ของมนุษย์สามพันโยน์ก็ท่านก็ว่าอย่างนั้นนะฮะก็ไม่มีใครวัดจริงๆ แต่นี่ก็แบบโบราณนะแบบโบราณเนะีแบบบนะ่ยก็จะพูดมาในลักษณะ น, นั้นแต่ถ้าเรามองในแง่ความจริงว่าการสำรวจและการวัดโอ้ยมันต้องสะสมกันหลายร้อยปีนะฮะกว่าจะหาข้อยุติได้แล้วท่านก็บอกว่าอินเดียเนะี่ยมันมาจากมาจากคําเดียวกับพินดูคําเดียวกับสินธูคำคำเดียวกับหินดัชน์นะ จะหลอดถึงคำเดียวกับอินดิทมันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงอารยธรรมยุคอารยธรรมลุ่มน้ำสินทรถูตลอดถึงแม่น้ำโขงขาส่วนใหญ่มันจะไปเชื่อมโยงกับภูเขากับแม่น้ำก็เป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าอูรยธรรมทางยุโรปก็คือกรีก กรีกมันไปเชื่อมโยงกับภูเขาเล้กก็มีทะเลเนี่ยเทพเจ้าทั้งหลายก็จะอยู่บนยอดเขาเด็กฟังแล้วก็น่าคิดว่าใครเรียนใครกันแน่จนเราจะเห็นว่าเทพเจ้าประจำภูเขาฮิมารายใกรลาดสกีรีเนี่ยก็คือพระศิวะในขณะที่ของกลีกเนี่ยเป็นสิวรืสีอุท แต่ถ้าเราลองออกเสียงรัวๆนะฮะเราจะเห็นว่าซิวหรือซิวะเนี่ยมันเป็นเสียงอันเดียวกันเปลี่ยนแต่ว่ามันจะเริ่มจากใครมาก่อนก็ไม่รู้อะมันน่าจะมีที่มาอย่างเดียวกันแลการมองมาทางนิรุติศาสตร์ในลักษณะนี้อย่างท่านริดเดวิดเนี่ยท่านก็มองจากสายภาษาคือสายนิรุติศาสตร์ บอกว่าแม้แต่คำว่ากอดเองมันก็มาจากเขาธรรมาเข้าตรรมะนั้นเป็นภาษาบาลีเอ้เป็นภาษาสันสกฤตที่เรียกพระนามพระพุทธเจ้าพระโคโดมนะแต่เราเรียกคําว่าเข้าตรรมะด้วยเสียงที่เร็วก็จะไปลงคําว่ากอดแล้วท่านอธิบายไปจนถึงว่าแม้แต่อัลลอฮ์เองมันก็น่าจะเพี้ยนมาจากคําว่าอารหรัน์ อรหังหรืออรหันเนี่ยมันก็เรือนมา ก, ก็เรียกเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเราดูเนะี่ยตรงนี้เราจะเจอเยอะยังไปคุยกับพวกแขกเรารู้บาลีนะแต่เราไม่รู้ไม่รู้ฮินดีแต่เราฟังก็เราจับจับเสียงไม่ได้นะว่าหมายถึงอะไรแต่เพียงแต่ว่าโต้อตอบไม่ทันนะนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้เรียนบาลีมาพูดแล้วก็ฟังออกหมายถึงอะไร นะเช่นมะม่วงเนี่ยมะม่วงบาลีก็เรียกอัมพะอัมอัมบะเวลาแขกเขาเรียกเรียกอมัมอามเฉยๆคือแทนที่มันจะสองพยางมันก็เหลือพยางเดียวแต่ทำในลักษณะนี้จะมียเยอะดังนั้นเวลาสมมติรเราฟังเขาพูดทินดีเนี่ยนะก็เรียกว่าควางพอจับความได้ก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกัน ถ้าไปอยู่จนพูดได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งเนียเกิดแสดงให้เห็นนะว่าในการไหลบ่าของมัตถธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทกันแล้วก็การเคลื่อนย้ายอพยพเคลื่อนย้ายของมนุษย์ตลอดถึงการเแบบสัญจรไปมาตามทุ่งหญ้าต่างๆของเผ่าพันธุ์ต่างๆแล้วก็รวมตัวกันได้บางครั้งก็เป็นใหญ่ขึ้นในสถานที่เหล่านั้น แล้วก็ครอบงาประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นด้วยอารยธรรมหรือว่าแต่ธรรมของตนเพราะนารยา อ, อารยธรรมตรงนี้ก็คือก็เรียกว่าอารยธรรมกรีกมันก็มาจากภูเขาคาทะเลภูเขาก็ภูเขาโอลิมปัสนะแล้วก็มาถึงก็อารยธรรมที่ต่างอียิปเป็นอารยธรรมรูปแม่น้นําไน มีตำนานมีเรื่องศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องเทพเจ้าและแต่ลงๆเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เยอะก็ถือว่าเขาก็ถ่ายทอดแพร่หลายกันอยู่ในแถบนั้นในทางเอเชียเราเราจะเห็นว่าก็อารยธรรมรุ่มแม่น้ําสินธู์ก็จนถึงภูเขาอิมาลัยนะฮะคือมีทั้งภูเขาอิมาไลาาก็มีต้นแม่น้ําสินธูแม่น้ํำคงคาแล้ถ้าเราดูให้ดมมีมันก็มีมหาสมุทรนะ คือมีมาสมุดอยู่ด้วยแล้ววงนี้ก็ผ่านพัฒนาการด้านความคิดขึ้นไปอารยธรรมยุคต่อไปก็คืออารยธรรมประเทศจีนนะฮะรุ่มล้ำเหลืองอทําประเทศจีนก็มีภูเขามีภูเขาไท้ายซัวมีภูเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยมีภูเขาอยู่เยอะเหมือนกันก็ทําให้เราเห็นว่ามนุษย์สมัยโบราณเนี่ยมันก็อาศัยป่ากับอาศัยแม่นม้ํา พอไซป่ปาก็ไปศึกษาปรากฏการณ์ของป่าแล้วบางครั้งก็ไม่เข้าใจก็สะสมความคิดข้อสังเกตเทียบเคียงกันมาเรื่อยๆมาถึงจุดหนึ่งมันก็สิ่งเหล่านั้นก็คล้ายๆก็มีชีวิตไปแล้ว ก, กลายเป็นมีเทพเจ้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาจากการนับถืออะไรวิญญาณ บ, บรรพุษแบบคนปา่าพวกงอเซบยงซา ก, กาไกเว่นี่ก็ยังนับถือกันอยู่ ถามมาพวกแอ น, นิกิตโต้พวกเซบังสากไกเนี่ยมันมาจากไหนก็จะเห็นว่ามันก็คือพวกมิลักหะหรือพวกดราวิดเดนที่เป็นเจ้าของถินเดิมในชมพูทวีปนั่นเองเดี๋ยวถ้าก็ไปดูแถวออสเตรเลียมันก็ยังมีอยู่บ้าง น, นะพวกคนปาเหล่านี้ แ, แสดงเหตุใ น, นการถ่ายเทว่าไม่น่าจะไปมากันได้แต่มันก็ถ่ายเทกันอยู่ เวลาถ่ายเทยก็ไม่ถ่ายเทยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมันก็ทำให้เห็นการซ้ำกันของเรื่องเราเนี่ยพอมาถึงจีนเราก็จะพบว่ามันก็มีตำนานที่เกี่ยวกับแม่น้ำนก็มีตำนานที่เกี่ยวกับภูเขานี่เยอะแล้วก็มีกระเทียมมีอะไรต่ อ, อะไรเนี่ยถ้าเราศึกษาพยายามที่จะเจาะดูเทีบทยบเคียงดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า บางอย่างมันน่าจะถ่ายทอดกันพอดูมันคล้ายกันหรือเกินนะครับปุคลิกภาพตัวตนของบุคคลในแต่ละตอนแต่การถ่ายแบบนี้มัน ก, ก็ก็เป็นธรรมดานะหมายความว่าถึงจุดหนึ่งคนเหล่านั้นก็ต้องการจะเป็นผู้มีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนซึ่งได้รับการเคารพนับถือมาจากอันดีก็ตัวเองก็ไปเชื่อมโยงกนะับบุคคลเหล่านั้น ก็ทำให้กลายเป็นตานานออกมาในลักษณะต่างๆทีนี้ประเทศอินเดียซึ่งว่ากันตามความจริงเนี่ยสมัยพุทธกาลก็เรียกชมพูทวีปนะแล้วก็เรียกอินเดียเนี่ยก็เรียกกงเรียตตอนหลังมาก็โครงสร้างเดียวก็ฮินดูหินดัทินดิษเนี่ยก็มาจากสินธูก็สรุปออมาจากลุ่มน้ำสินธูแล่ถามว่าประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นใคร ท่านบอกว่าเป็นชนเผ่าประเทศที่ฝรั่งเขาเรียกว่าดราวิเดียนนะครับบางทีเราก็เรียกว่ามิลักะบางทีก็เรียกว่าทัศยุแต่ในคัมภีรพระพุทธ ศ, ศาสนาเราจะเรียกว่ามิลักะก็เป็นเจ้าของถิ่นเดิมเป็นพวกเนี้ยพวกเงาะเซบางซาไกลเขเรียกวพวกนิกิโต้นะฮะเรียกอย่างหนึ่งว่านิกิโตเป็นเผ่ามองโกรอยแล้วก็ ก็ตั้งถินฐานเป็นหลักแหล่งรอสมควรมีการจัดการปกครองมีอะไรต่ออะไรก็แสดงร่องรอยความเจริญก้าวหน้าไม่ธรรมดาหรอกก็มีความเจริญก้าวหน้าอยู่แต่ว่าเหนือคนยังมีคนเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับคือถ้าเราไปขุดคน้นเช่นโมเห็นโจดารุอะไรต่อะไรเนี่ยมันก็จะเห็นเออมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วในการต่อมาก็มีชนเผ่า ก็ที่จริงก็เร่ร่อนนะใคล้ๆกับพวกนี่แหละพวกมองโกนี่พวกไก่กุปลายขันจึงคิดขันนะเนี่ยฮะแล้วก็คนป่าเหล่านี้ที่เข้าไปในจีนในอินเดี ย, ยสามารถสร้างบ้านแปลงเมืองได้ระยะยาวบางทีก็ต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพวกเหล่านี้ฝรั่งเขาเรียกว่าอินโดยูโรเปียนแต่ว่าเราเรียกว่า อริยกะหรืออริยันจะเป็นชนเผ่าที่ค่อนข้างชอบลุกรานตามตำนานบอกว่ามี อ, รอารยธรรมเหนือกว่าชนเผ่าที่เป็นเจ้าของถิ่นเดิมแล้วก็วางครั้งบันคราวเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องก็คล้ายๆอย่างเนี้ยคือถ้าเราดูแล้วมันเหมือนกับราชวงศ์ักยากริยะในยุคปลายพุทธสมัย มันใกล้ๆก็ถึงทางเลือกว่าจะเอาสันติหรือจะเอาสงครามหรืเอเต้าสงครามก็ต้องทําบาปเยอะตายแล้วก็ตกนรกแต่ถ้าาสันตินี่ตัวเองอาจจะอาจจะต้องตายนะ ล, ลูกหลานก็อาจจะต้องตายแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่ทําบาปแล้วขบดีพวกอารยันไม่ใช่พวกศักยะตอนนั้นก็เกิดไปเลือกเอาที่จะรักษาธรรมะเอาไว้ก็บางท่านเลยก็ต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากมือนกัน พ่แนพวกมิราคาเองบางยุบบางสมัยก็มีลักษณะอย่างกันคือไปไปสนใจศึกษาเคร่งครัดในเรื่องศาสนาลัทธิความเชื่อถือต่างๆซึ่งมันมากเหลือเกินนะะคือเรียกว่าเป็นอะไรล่ะที่มีเทพเจ้ามันมันมากม า, กกายกกองกจริงๆในประเทศชุมุูทวีปเนี่ย พวกอารยันก็อพะยพะเคลื่อนย้ายมาเนี่ยเขาก็บอกมาทางเข้ามาทางช่องแคบไคเปอร์ iber, แต่เอเชียไนเนอร์ er เนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ลุกรานเจ้าของจินเดิมก็กลายเป็นตำนานที่เราได้เรียนกันก็คือเรื่องรามายณะนะครเราจะเห็นว่ารามายณะเนี่ยมันค่อนข้า ง, งชัดเจนวพวกพระรามก็คือพวกอารยานันแล้วก็พวกอะไรละ่ะ พวทศกันพวกนี้ยก็คืพวกมีลขะแล้วก็พวกพวกอนุมานพวกสิบแปดงกตพวกกลิ่พวกข้างทั้งหลายเนี่ยก็คือพวกเผ่าต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่แล้วก็ยมตนเป็นลูกน้องของพวกอารยกะหรือพวกอารยันกลายเป็นตำานานที่ก็ที่จริงมันก็อะไรไปปนๆไว้เยอะ แต่สรุปว่ามันก็แสดงร่องรอยทั้งการต่อสู้การอพยพเคลื่อนย้ายในทางประวัติศาสตร์พวกอารยั น, นั้นเป็นชนผิวขาวว่ากันว่าเข้ามาสู่ชมพูทวีปอันนี้ตัวเลขตัวเลขเอาในยายไม่ค่ยได้นะฮะบางทีบอกว่าผ่านห้าร้อยบางทีก็พูดอาจจะถึงอาจจะถึงห้าพันก็แล้วแต่ตัวเลขที่ไหนแต่ว่า ถ้าเรามองในเรื่องอื่นๆตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แม้แต่พศเราเนี่ยถ้าเราสมรวจแล้วมันมีตั้งยี่สิบกว่ามิติตัวเลขมันหา่างบางทีห่างตั้งสี่หสบปีบางทีก็ห่างกันตั้ปีสองปีแม้แต่อินเดียกับเราเนี่ยห่างกันอยู่ปีหนึ่งอินเดียเขาเขาน้อยกว่าเราหนึ่งปีอย่างฉลองยี่ห้าสตวรรษเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาฉลองพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า เเรียกว่าฉลองพุทธชยันตีเราก็รุ่งปีขึ้นมาเราก็ฉลองอันนั้นก็น้อยอะฮะแต่ว่าบางประเทศนี่มันมากเือห่าง ก, กันหลายสิบปีตัวเลขก็จึงฟังไว้ใฉยๆก็เรียกว่าก่อนพุทธกาล 1,500 ปีจนถึง 3,000 ถึง 5,000 นั่นก็แล้วแต่ทีนี้เป็นการเข้ามาในเข้ามาหลายด้านด้านแม่น้ำคงคา ด้านที่ราบลุ่มของแม่น้ำเยอรมุนาแล้วก็ด้านแม่น้ําสินทูสรวบกระจายกระจายออกไปจนถึงก็เรียกว่าอะไรละ่ะอ่าวคัดแล้วก็ตัดทรงขึ้นไปยังแคว้นวันตีโยะปันตามเชิงเขาเข้าไปขึ้นเหนือทางแคสเมียที่ยุ่งยุ่งกันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เข้าไปในแคว้นโกศลจนถึงเนี่ยพวกสากียะพวกเชื้อสายพระพุทธเจ้าเนี่ย แล้วก็เข้ามาในทุงกลางกลางตะงนั้นพวกอารยันเข้ามาสู่ชุมพูตุวีปเนี่ยเจ้าของที่เดิมก็ต่อสู้ต่อต้านขัดขวางแล้วในสุดก็รบกันรบกันไปรบกันมาเจ้าของที่เดิมก็พ่ายแพ้แล้วก็ถูกจับก็เรียกว่าทาตหรือทัศยุขก็กลายเป็นทาตนี่ก็ถือว่า มันคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทางด้านการเมืองก็หมายความว่าการทหารด้วยและที่จริงมาถ้าเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะถูกบังคับให้คือการยอมรับพวกของตัวเองโดยเฉพาะคือผู้มีมีอำนาจนะคล้ายๆกับว่าพวกฝรังร่งพวกญี่ ป, ปุ่นมาครอบงาเศรษฐกิจครอบงําสังคมครอบง ำ, บงำการศึืองเราเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเวลานี้เราก็เป็นกว่าหลังไปเยอะแล้ว จะกินอาหารจะอะไรจะใช้ความคิดวิธีคิดการตัดสินใจความนิยมการแสดงสถานะมันก็ต้องโน้มเอียงไปทางขรังก็หมายถึงว่าเป็นคนที่ก้าวหน้าหน้าตาก็ต้องคร้คลึงขรังผมก็ต้องฉีดถ้าเป็นขรังอะไรเนี่ยมันไปเองโดยธรรมชาติเป็นลักษณะยอมสยบ หยอมสยบแล้วต้องการพวกองการได้รับความบบุญต้องการได้สถานะคือปกติมนุษย์มันก็นึกถึงตัวเองทีนี้ในด้านของกำเนิดราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีการต่อสู้มีการแย่งชิงกันในหมู่พวกตัวเองก่อนคือว่าพวกอารยียนเนี่ยมารบ ก, กับพวก มีราคะก่อนรอบกันไปรอบกัมาก็ในสุดมนุษย์เนี่ยมันไม่ยอมใครกันมันก็กลายเป็นต่างคนต่างก็ต้องการจะเป็นใหญ่แล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาเราจึงเห็นว่าในสมัยอพุทธกาลและก่อนพุทธกาลอินเดียมันเป็นเมืองมหาศาลเลยเป็นแคว้นต่างๆทั้งรอบในรอบนอกก็กลายเป็นมัตชิมชนบทมัธยมประเทศ แล้วก็ปรจชาชนบทเอาเฉพาะมัธิมชนบทหรือมัธยมประเทศตอนกลางมันก็มีตั้งสี่ปกแคนในคำพีจำมาขันท่าหมาวัาแข่งพระวินัยก็เลยจำแนกไว้ถึงสี่ปกแคนใหญ่ๆเด็กกันสแสดงเห็นว่าก็ต่างคนต่างก็อยากเป็นใหญ่นะ แล้วก็แบบประเทศไทยเราสมัยโบราณเนะียถ้าเราดูแล้วก็มีประเทศอยู่หลายประเทศนะเชียงใหม่ก็ดีนะครศรีธรรมราชก็ดีอยุทธิยาก็ดีสุโขทัยก็ดีลบบุรีก็ดีนะฮะบางทีก็มีลักษณะคล้ายๆประเทศนั่นก็คือโลกที่เรามองจากมุมในด้านประวัติศาสตร์ะก่อนท่านฟังท่าไหร่แต่ลรลวงปพิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณาธรรม